สองร้อยยี่สิบหกนะครับ ตาิตปัดยจหมูหนึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เรื่องความย่อสำรับใจแทนตาย่อคำพูดในสั้นลงเรียกง่ายๆเหมือนคำว่าสายาเมชาโตเกิดในสายามลงปัดใจแทนชาตาเอาไว้แต่สายามะเป็นสายามิโกเรียกว่าตาเิตตาจิตนันโดยสังเกตแบ่งเป็นสามอย่างคือสามัญญาาจ ตทเตตปยาตาตาตามัญยาตาเตศตามัญยาตาเตแบ่งออกเป็นสิบย่างคือโคตาตาเตศสราเตศพระคาเตตาเตศตาตาตตาเตศอาตาเตศธานาตาเตศภหูราตาเตเศตตาเตศตาทตาตศตาตศปกาติตาเตศสังาตาตศปุรานาตานติวปะ it นายคำที่สัพพะสาทั้งหลายท่านแบ่งเป็นสิบห้าเลอมุปามาตาติสและนิสิตาติสโกตราชาสัาภาเตสพาัทสันปุเวโกตตาทินาสนายโคตตาทิสมีปัจจัยแปดตัวคือนานาญนานานานาญาณิณิกาณวะเมระใช้ลงแทนโกตตาสามเพื่ออาปาจาสามแปลว่าเราก่อผู้ศึกษาถึงทาบเมื่อลงหน้าปัจจ ที่มีนาท า, ารายุนาสามเป็นพรสะสาลวนไม่มีพยาญชาณาสังโยกอยู่เบื้องลางต้องเพลิดเพลที่ข้าเป็นอาวิกานีเป็นเอวุเป็นโนเป็นไว้แต่ตารา เดรัศามีพายัญชนะตังโยกอยู่เบื้องลังหรือเป็นที่คาไม่ต้องพื้และพายัญชนะคื่น า, นานต้องลบเสียคงไว้แต่สารที่น้าตายอยู่แต่พายัญชนะอื่นๆตามที่ลงหน้าปจาัจจัยอย่างนี้ว่าติทัศนอาปัจจังวาติโท เราก็เห็นวาสิชาชื่อวาสิชาโคตมัสอปจจงโคตโมเราก็เห็นโคตมัสชื่อโคตมัวาสุเทวตาอาปัจจงวาสุเท เราก็เห็นวาสุเทวาชื่อว่าสุเทวาสัมที่ลงนานายปปจาย่างนี้กาจจสตอาปจางกาจายโนเราก็แห่งกัจจะชื่อกาจายานาวาจจาตอาปจางวัจายโนเราก็แห่งวาจจาชื่อวาจายานามกัลลิยะอาปจางมกัลลายาโนเราก็แห่งนามกัลลิชื่อมกัลลายานาสามที่ลงนานา อย่างนี้กัจจานวัจจาน โ, าาน โ, โมกขลานวิกขและคำแปลเมื่อ น, นายาณนาปัจจัยสับเีหลงในญาปัจจัยอย่างนี้ภาคีนีาญาปัจจังภาคีันโยเราก็แห่งที่น้องยิง เวนะตายาอาปัจจังเวนะไยโยเราก็แห่งนางวินทาชื่อเวนะตายาโรหิณิยาอาปัจจังโรหินโยเราก็แห่งนางโรหิณีชื่อโรหิไนยะสามที่ลงนี้ปัจจัยอย่างนี้ท่ากาสางอาปัจจังท่ิกเราก็แห่งท่ากชื่อท่กีวาสาวาสตาอาปัจจังวาสเวเราก็แห่งวาสาวา เววารุณสางอาปจางวารุนีเราก็แห่งวารุนาคือวารุนีสามที่ลงนี้กับปจัยอย่างนี้ตักกายปุนตาศั อาปาจังสักกายาปูติโกเราก็แห่งบุญแห่งสักกายาเรียกสักกายาปุติกาน า, านตาปุตติจอาปาจังนาตาปุตติโกเราก็แห่งบุญแห่งชนรางเรียกนาตาปูติกาิน า, าตาจังอปาจัเินาทาติโกเราก็แห่ง นัตาชื่อเจนทาติกาสัตติลงนาวปัจจัยอย่างนี้อุปปักุนจังโอปัจจังโวปะเกวโวัเราก็แห่งอุปปกุชื่อโอปะกกวามานุนโนอาปัจจังโวเราก็แห็นมานุเ่อมานาวะปักุนนโนอาปัจจังภาคโวก็แห่งภาคุชื่อภาคาวะสัตติลงในราปัจจัยอย่างนี้วิภาวายา ทางเวทเวโรเราก็แห่งยิ่งแม่ม่ายเจอเวทาเวราส า, สามานสาอปัจจังสามานิโรเราก็แห่งสามานเ่อสามานิราตารัตยาทิตติเตตในสารัตยอาทิตติเตตลงที่กับปันนาวายาสารติตินาวิโกโยชาโนชนใดยอ่อมกามด้วยเรือเหตุนานโตชาโน เื่อนาวิกาผู้ขับด้วยเรือตีเลงีสังสัพทานโานางเทริกาโกานาราคนพร้อมแล้วด้วยมาเล็ดงาทั้งหลายชื่อเตริการาคนแล้วด้วยงาสักกตินานตีตีสักกติโกชาโนจนใดย่อมเที่ยวไปด้วยเกวียนเหตุนาน เจอสาักพิกาผู้เที่ยวไปด้วยกุยอันราชาคางตติโกวาราชาคางิโกวาชจันโนจนได้แล้วในเมืองราชาเปรือเจอราชาคางิกาผู้เกิดในเมืองราชาเปรือตสตาเ ม, มงวะตาติตีราชาคางิโกวาชจโนอีกอย่างหนึ่งจนได้ย่อมอยู่ในเมืองราชาเปรึอนาน เจ้าราชากายการ์ู้อยู่ในเมืองราชาฤกกายนาการกมกรรมกายการกรรมันชนทำแล้วด้วยกายเจ้ากายกากรรมันชนทำแล้วด้วยกายสัจมิเกวะวัสสติกายการกรรมรรมยิงยังเึงกรรใดย่อมเป็นไปในกายนานกรรมกรรมกรรมกายเป็นไปในกายทั้ง โ, โกวริกโกวจานโจรประกอบแล้วในปลาตัวชื่อโกวาริกะผู้ประกอบในป่าตัวสาปุเนหังสาวาจิวาตีติสาปุนีกโกวชาโนโอชนได้ข้าตึงนกทั้งหลายเป็นอยู่เอหน้านชนนา้นชื่อซาปุนิกะผู้ข้าตึงนกเป็นอยู่ ะสางกาลสร้างขีกายังว่าตัวข้องใดเป็นขอ้องมีอยู่แห่ ง, งนะทรงสรางว่าตัวข้องนา้นชื่อสร้างขีกาข้องมีอยู่แห่งทรงอาเกนาทิพาติเตอาขีโกนจนได้ย่อมเล่นด้วยสา ก, กาเหตุนานจนานา้นชื่ออาขีกาผู้เล่นด้วยสา ก, การาคาทิตาเต กาเทตาเทสลงน้ำบาจใจอย่างนี้กสาสาเวนาราจางว่านกาสาวะคาอันบุคคลท่ยอมแล้วด้วยรถฟาดชื่อกาซาวะลแล้วด้วยรถฟาดมาหิสตาหีทา ง, างมังทังมาหีสัง้องกระบือชื่อมาหิสางของกระบือมาคาเทชาโต ม, มาคาโตชานวน เกิดแล้วในแว่นแว่นมาโคนชื่อมาทาคาผู้เกิดในแว่นแว่นมาโคนสตสัมิกวาสติตีวามาคาโทจานุีิกยัง ชนใดย่อมอยู่ในแว้นแควนมากดนานเหตุนานจนา น, จนานชื่อมาคาธาผู้อยู่ในแว้นแควนมากดตาตาระวาอิสารุมาซาโวชานุอีกอย่างหนึ่งชนเป็นอิสาระในแวนนน้นแควนมากดนานชื่อมาคาธาเป็นอิสาระในแว้นแควนมากดกาติกายา มาโตกติโกเดือนประกอบด้วยฤกษ์กติกาชื่อกติกาเดือนประกอบด้วยเรษ์กติการวายาการาหนังอาทิเตเตีการโนอจชโนอชนใดก่อเตทนานชื่ อ, อ ว, วายาการราผู้เรียนซึ่งพยากราตาทิตาทิศในจาตาทตติตาทิศลมัส ตัวเกือิมาเิยา ก, ยากิ่ยสามเทลงเกี่มาปัดใ จ, จยอย่างนี้ปุเรชาโนปุริโมชาโนชนเกิดแล้ในก่อนชื่อปุริมาเกิดแล้วในก่อนมาเทชาโตชาโนชนเกิดแล้วในท่ามกลางชื่อมานิ ม, มาเกิดแล้วในท่ามกลางปัดใจช า, ชาโต ชาโนะจนเกิดแล้วในภายหลังเชื่อปฏิมาเกิดแล้วในภายหลังปุณโตอสังอธิติตปุณธิโมบุญของชนนั้นมีอยู่เหตุนั้นเชื่อว่ามีบุญนั้นเลนิยุตโตอันติโมชาโนวจนประกอบในที่ส่วนเชื่ออันธิมา ขอบในที่โซสัมที่ลงียาปจายอย่างนี้มนุสาชาติญาชาโทมนุสชาติสิชาโนชนเกิดแล้วโดยชาแห่งมนุษย์ชื่อมนุสชาติญาโดยชาแห่งมนุษอัสาชาติญาชาโทอาชาติโยสันตทสันโดยชาแห่งมาชื่ออัสาชาติญาเกิดแล้วโดยชาแห่งมาปันติสาชาติญา ปณฑติตาชาติโยชาโนชนเกิดแล้วโดวยชาติแห่งบันตินชื่อปันติตาชาติยาโดยชาติแห่งบันติปันติตาชาติอาชาอาชิติว่าปันติตาติโยอีกอย่างหนึ่งชาติแห่งปัิติควอมจนนานมีอยู่เหตุนั้น แห่บ้านดินสามที่ลงกิจปัจจัยอย่างนี้อันเพียรนิยุตตออันชาปิยยโยชาโนชนในความเอิชื่ออันช า, าปิยญาปุกความเอิญสมูห า, ทาทตาเทศในสา ม, มูห า, ทาทตาเทศมีปัจจัยสามตัวคือการณานาตาสิส่งลงการาปัจจัยอย่างนี้มนุษย์นัง เจอมาโนตตาประจุแห่งมาโนดูโมแห่งมานตมาโุราณตาโมหมาโุร์ประจุแห่งนอกจงทั้งหลายื่อมาโุรากาประจุแห่งนอกจงกาโปตานาตาโมห์กาโปตโกประจุแห่งนอกเปราทั้งหลายื่อกาโปตกา แห่งโนบีราบรือภูงแห่งโกบีรามตามที่ลงน้ำตาใจอย่างนี้มนุษย์นางสามูโฮมนุโตมนุษย์ทั้งหลายเจอมนุษย์มายุระนางสามูโฮมายุโรประชุมแห่งโนกยมทั้งหลายโยรากาโปตานางสามูโฮกาโปทุชุมแห่งโกบีราบทั้งหลายเจอคาโปตาสามที่ลงตาปัจจัยอย่างนี้ข้ามานางโต ธรมตาประชุแห่งชาวานทัลายชื่อธรตาชาณาตานาโมโานาตาชื่อชาาตาตาญาาโมโหณาตาประชุแห่งตาทั้งหลายยาตาธาณาติสในธาณาติสลงยีญาปัจจัยอย่างนี้มาธนาตาชาณั นิยังที่ตั้งแห่งความเมาเชื่อมัทนายาที่ตั้งแห่งความเมาปัญธาณาสาวานางพันธายาณที่ตั้งแห่งความเชื่อพัญธานิยาที่ตั้งแห่งความภูมิโมจานาสาวาณามโมจานิที่ตั้งแห่งความแก่เชื่อโมจานิญา แห่งความแก่อิ่ย่าไอย่าปัจจัยสองตัวนี้ลงในอา่านคืออาราหาควรอย่างนี้ทัศนังอารามาติติทัสนิโยชโ น, นุนใดย่อมควรซึ่งความเห็นเหตุนั้นเชื่อทัสานียาผู้ควรซึ่งความเห็นหรือนาดูบูชานางอารามาติติผูชั ผู้ชาญโยวาชาโนะชนใดย่อยยมควรซึ่งบูชาเท น, นั้นเจอะผูชานียาผู้ชาญยาบ้างผู้ควรซึ่งบูชาท้าทีนางอารามมีติ่โยวาชาโนะชนใดย่อยยมควรซึ่งทาทีนาเหตนนุนั้นเจอะก้าทียาผู้ควรซึ่งท้าทีนาในาสถามีติว่าิยาปัจจัยลงในอัตตเดือได้บ้างอย่างน้ ทานังมีทางอุปาทานิยามเพื่อคุณแก่อุปังทั้งหลายเชืออุปาทานิยามเพื่อคุณแก่ทานอุทาเระวังอุทาปิยังโคชนะโคชนามีใน้องเชื่ออุทาริยาโคชนะพระมูลกศิในพระมูลกศิตลงอาูกปจยอย่างนี้อาพิจารัสสังปาคติอาพิจารุอพิจ เป็นโปกติขล่องชอนนัชนชนนันคือว่ามีอาภิชาเป็นปกติอาภิชาอาสาภาูลามวาอาภิชารูอ้อีกอย่างหนึง่ง อาภีชาของชนนั้นมากจนนานเชื่อว่ามีอาภิชามากสีตังอาซาปกติสีตาลูนาวเป็นโปกติของประเทศนานประเทศนานชื่อว่ามีหนาวเป็นโปกติสีตังเอตามาหูลังว่าสีตาลูเอกอย่างหนึ่ง นาวในประเทศนานมากประเทศนั้นชืน่อว่ามีนาวมากขายาส า, าพปะกติถ้ายาลู่ความเป็นดูเป็นปกติของชนนั้น เชื่อว่ามีความเป็นดูเป็นโปกติทายาส า, าพหูลาวาทายาลูอีกอย่างหนึ่งความเป็นดูของชนนั้นมากชนนานเชื่อว่ามีความเป็นดูมากเศราสาติตในเศราสาติตมีปัจจัยห้าตัวคือดสาระสมาอิจิตาคียาอิธาสับที่ลงตาระปัจจัยอย่างนี้ปัปปะตารวเป็นแบบ บันดิตาโรอัเป็นบัณฑิตว่างีนัสโรอันเลวว่ามานิตัตัมพระนิกว่าสัมพีลงตามาปัจจัยอย่างนี้บาปตาโมเป็นบาปที่ส่วนบานดิตัมเป็นบัณฑิตที่ส่วนหีนัสโมเลวที่ส่นปานิตัตัมพระนิที่สวนสัมทีลงยีิสิกาปัจัยอย่างนี้บาปยีสิก เป็นบาปวาสามัมถิลงยินอยาปาัดใจอย่างนี้ปาปโยเป็นบาปวาการนิโยน้อยกว่าใจโ ย, ยปราเสิดกว่าใจโยจางเลินกว่าสามัมถิล ง, งาายินทาปัดใจอย่างนี้ปาปโสเป็นบาปที่สูนการนิโสน้อยที่สุดเสโสปราเสริที่สุดเชโส ในปัจจัยทั้งห้านี้ตาและยิยาญาปัจจัยลงในพิเศษคุณธาสามสามมาและยิ่งาปัจจัยลงในอาติพิเศษคุณธาามตามในที่กล่าวแล้วในคุณนามแต่ท่านแสดงพิรร้องไวเป็นแบบเดียวไม่ต่างกัน สามเณิเมป้าปะอาญาณิเ ม, มสังวิเศสน ะ, ะปะโปติปะปะรัโปะปะสัะสมโมชนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งปวงเป็นบางชนนี้เป็นบางโดยพิยแห่งกว่าชนทั้งหลายเหล่านี้เหตุนานชนนี้จะว่าปะปะตาระประปะตัมมาตัทาสัสสติสสิทธิในตัทาสาสัสสธิส ปัจจัยเก้าตัวคือววสิอีกามิราวันตุมันตุนาสีลงววปัจัย่างีิเมธาอาศาทิติเมธาวิเมธาปัญญาของชนนั้นมีอยู่ว่าเหตุนานชนนั้นเชื่อว่ามีเมธามายาอาสาทิฏฐิไมยาวิไมยาของชนนั้น เหนานชนนานชื่อว่ามีมายาสัมถิลงสีปัจจัยอย่างนี้สุเมธาอัาอันธิสีสุเมธาโสทารีของชนนานมีอยู่เหตุนานชนนานชื่อว่ามีเมธาดีสัมถิลงตีปัจจัยอย่างนี้สัพโวอัสาอันทิสีสักัสีตังบาความเพียรอันเท่าบามของชนนาน เหตนานชนนันเชื่อว่ามีสามาเซโชอาสาอนทิสีเชจสีเดนของชนนันชนนันเชื่อว่ามีเดนสามที่ลงอีกาปัจจัยอย่างนี้ทันโดอาสานทิตีทันดีโกอไม้เท้าของชนนันเหตนานชนนันเชื่อว่ามีไม้เท้าทโคอาสานทิสีทันโกความต้องการของชนนัน เหตุนานชนนันชื่อว่ามีความต้องการสามที่ลงอีปัจจัยอย่างนี้พันโดนอสาสาการที่สี่ทันดีไม้เท้าของชนนันมีอยู่ว่าเหตุนานชนชื่อว่ามีไม้เท้าสุขังอาสาการที่สี่สุขีสุ่มของชนนันมีอยู่ชนนั่นชื่อว่ามีสุโโ่มโพโคอาสาการที่สี่โภกีโพ ค, คาสมบานของชนนัน เหตนา น, นจนนานเชื่อว่ามีโภูกาสัพพิลงรัก จ, จิตใจอย่างีทมาสุอัสตางอัที่ติมาสุโรวันน้ำเพลิงของกาโนมนั้นมีอยู่เหตุนั้นนานเชื่อว่ามีน้ำเพลิงมีรสหวานภูการอัสตางอัที่ติดภูกาโรยปากของจน น, น, น, นนั้นมีอยู่ จนนั้นเชื่อว่ามีวางคนมีปาสสาสัทธิลงวันตุปั จ, จยยายานิโกโนอันตัสอาเทติคุณนาวาคุณควองจนนั้นมีอยู่เหตุนั้นเชื่อว่ามีกุณท่านางอัอนตาสอาเทติท่านาวาสามองามจนนั้นมีอยู่เหตุนั้น เชื่อว่ามีสปัญญาอาศะอาศิเตีปัญญาวาปัญญาความชนนันมีอยู่เหตุนั้นเชื่อว่ามีปัญญาปุญญาอาศะอาศิตีปุญญาวาบุญควาชนนันมีอยู่เหตุนั้นเชื่อว่ามีบุญสัที่ลงมันสุขปัจจัยอย่างนีอายุอาศะอาศิตอายะสมะอายุ นนามีอยู่เหตุนั้นชนนันชื่อว่ามีอายุสติอาศะอธิเตติสติมาสติความชนนั้นมีอยู่เหตุนั้นชนนนชื่อว่ามีสติจะกผัวอาศะอธิตติจักผัวมาจัตัวความชนนั้นมีอยู่เหตุนั้นชนนนชื่อว่ามีจัตัวคนตาดีหรือคนมีญาณชู่ตีอัาศะอธทิตตยชั่วตีมาความโกลงคองมชนนั้น เดนนานชนนานชื่อว่ามีความพรงอมในศาสนานี้ที่สับคือผู้ที่มาชนมีบุญบาิมาบามาลงอมาสูปัจจัยพี่กลองแลกจำเป็เมือม่อมาสู่ปัจจัยสับจีลงหน้าปัจจัยอย่างนี้ศาสตาที่สี่ส่วนสองชนนานมีอยู่เกตดนานชนนานชื่อว่ามีศาสนาเมธีรามศาสน า, าทิติี กลัความกรณีของชนนั้นมีอยู่เหตุนั้นเชื่อว่ามีความกรณีปกติตาทีในปกติตาทีลงมายาปัจจัยอย่างนี้สวุวรรณเนนาต่างสุวรรณมายาภาชานามภาชานาอันบุคคนทำแนวด้วยทองชื่อสุวรรณนามายา บุคคลทำแล้วรวยทองสุวรรณนาสากปิกาโรโอวาโตวรรณนามาอยากพระานางอีกอย่างหนึ่งอาชจ้านาเป็นเรื่การแห่งทองชื่อโตวรรณนามายาเป็นเรื่การแห่งทองมาติกายาปากาตังมาติกามาอยากพระจ้านงางะอันบุคคลทำแล้วรวยดินชื่อมาติกา อานบุคคลทำแล้วด้วยดินมาติกายาเวการวามาติกามายาอีกอย่างหนึ่งอาจารนาเป็นเทการแห่งดินชื่อมาติกามายา การแห่งดินอาญาสาปากาต่างอายมายาอาจ น, นะอันบุคคลทำแล้วด้วยเล็บชื่ออายมายาอันบุคคลทำแล้วด้วยเล็บอาญาโตวิกาโรว า, อ, า, านนะ อ, อโยมายาอีกอย่างหนึ่งอาชานะเป็นเรื่การแห่งเด้งชื่ออายมายา การแห่งเปงูรานาสัตในปูรานาสันติมีปัจจัยห้าตัวคือสีญาคิขามีสัมถิลงสีจากปัจจั ย, ยอย่างนี้ถ้าวินนามภูรานุสติโยชนเป็นที่เต็มแห่งชนทั้งหลายชื่อว่าที่สองตินนามภูรานุสติโยชนเป็นที่เต็มแห่งชนทั้งหลายชือว่าที่สามสัมถิลงสาปัจจัยอย่างีจะสุนางภูรั จะตุโธชนเป็นท an ี่เส็มแห่งชนทั้งหลายชื่อว่าที่สีสัมที่หลวงตาปัจจัยอย่างนี้พันางปุรานุจะโทษเป็นที่เส็มแห่งชนทั้งหลายหูชื่อว่าที่หูสัมที่หลวงนาปัจจัยอย่างนี้พันจันนางปุรันปันจะโมชนเป็นที่เส็มแห่งชนทั้งหลายหาชื่อว่าที่นาจะพันนางปุรัน สัมมโมชนเป็นที่เต็มแห่งชนทั้งหลายเอว่าที่เต็มในหยีที่ลิงทั้งแต่เอกาท า, า, าราจนซึ่งอัตตาราลงยีปัจจัยอย่างนี้เอกาทัสนางภูราณีเอกาทศีดีที่ยิ่งเป็นที่เต็มแห่งยิ่งทั้งหลายสิบเหตุเขว่าที่สิเหนทาาทาุทววทัสนางภูรานีทาววทาสีดิทียิง่งเป็นที่เต็มแห่งยิ่งทั้งหลายสิบตอ่อ ที่สิบสองอาเทนาทุติโยทิวัตทียะโทที่สองโดยทางกึงคือทิวัตถาและที่ยาธาหนึ่งกับเพลือ อัชนาอติโยอัตติโยอาาตัตตทโยที่สามด้วยทั้งึืเชื่ออัตติญาและอัตตัยญาสองขับเคลือนอนาจตุโตจากตัโต ท, ท, ท, ที่สีด้วยทั้งคืงเชื่อตอุวธาสามับเคลื่งสังข้ายาามทิศไนสังข้ายาสาติ ยันนิทเวปริมาณีอาสติทวิกังปริมาทังลายมองวัตถุนั้นสองวัตถุนั้นชื่อว่ามีปริมาสองตีนิปริมาณีอาสติติกังปาริมาทังลาย ปาตตูนนสามเหตุนนปตตูนัเจว่ามีปัจิมานสามิวาคาตาิในเิพาคาตาติมีปัจจัยสองตัวคือธาตสัพพิโรธาปัจจัยอย่างนี้เอกนาวพาเกนาเอกาาโดยส่วนเดียวชื่อเอกาาพวีพาเกนีทวีาโดยส่วนทั้งหลายนอง วิทาสักที่หลงตปัจจัยยามีปะเทนามิปะเกนปะโโดยความจำแนกโดยส่วชื่อปะโสสุเตนามิปะเกมะโสโดยความจำแนกโดยส่วนชื่อสุตัโทภาวะตาทศในภาวะตาทศมีปัจจัยหกตัวคือตาตาณญาตสตาณตากนา พองคตาตาปาจันยังมีจันทศตาพระโวจันทศตาความเป็นแห่งพระจันเชื่อจันทศตามนุษตาตาพระโวมนุษตาตาความเป็นแห่งมนุษย์เชื่อมนุตาตาจันดีโนอาปาโวจันดีตาความเป็นแห่งคนมีหายนะดีตาปัจจักตาพระโวปัจจักตาความเป็นแห่งคนห่วงเชื่อปัจจักตา นิลัะสสัพพาวนลัสสังความเป็นแห่งพร้อมเที่ยวาตัาสัพพิลมณียาปจายานีปันลิตสัพพาวปันลิตจังความเป็นแห่งบัณลินเรียกปันาลิตจักุสตลลสัพพาวกุสัลลังความเป็นแห่งคนสลลาเรียกกุัลาสมมานาสววาภาวสัมัญญางความเป็นแห่งสามม า, า, oh ววานามัญญาตุหัสตาพาวโุหะจางความเป็นแห่ง ใดชื่อโสหัสกาภุริสสาภาวอะภูริสังเป็นแห่งบุรุษชื่อภูริสานิปักกาพาวเนปักกาความเป็นแห่งคนมีปัญญารักษาไว้ขึ้นตนชื่อเนปักะอุปมายาพาววัวปามาความเป็นแห่ง ปามาชื่อโอปัมาผู้ิึบตาถพง่สังเกตในยาปัจจัยนี้พืสาระตัวหน้าที่เป็นรัศวลวนและของลบัวปัจจัยที่มีหน้าตอนและลบหน้าแล้วเหลืออยู่แต่ยาลบอาสาระที่สุดยัพทคำนาเสียเหมือนสัพือพันดิต์ลบอาเสียงม บันเดีนแล้วเอาพายัญชนะที่สุสักซึ่งมีสาระอันโลกเสียแล้วนานกับเจ้าปัจจัยอาเทสัตธาที่ปุวัญญางนี้เอาตายาเป็นกาจาเอาลายาเป็นลาลาเอานายาเป็นยายาเอาทายาเป็นจาจานอกนั้นเอาเป็นเมื่อพายัญชนะนัยยะท้ามต้องตัวหรือคงไว้อย่างเดิมไม่อาเด็ในสัตธาณีทีวา่าสัพพิริยัง ความเป็นผู้กล้าความเพียรหาลาภิยาบความเป็นผู้เกียจข้านลวงนิยาปัจจัยโซจัยยาบความเป็นข้องตาอันหลงไนยาปัจจัยทาสุยาความเป็นธาตุหลงไพรยาปัจจัยตาติหลวงนาตานาปัจจัยยามีภูตูชาณะตาบาวภูตูชาณะสังงานความเป็นแห่งภูตูชนชื่อภูตูชาณะนาเวทนายาบาวเวทนาสังงางความเป็นแห่งเวทาน ชื่อเวทนาจันนาะสติลงตาปัจจัยญาณีโมตุโนภาโวนความเป็นแห่งคนอ่อนคนใจอ่อนชื่อโมตุสานิทารามสาภาวนิทารามะความเป็นแห่งคนมีความหลานเป็นที่มายินดีชื่อนิทารามาสายาสัภาวัสยาญาติความเป็นแห่งตา อายะตาสามที่ลงหนายย้าปัจจายนี้วิสัภะสาะ ว, วาวเวสัมา์ความเป็นแห่งของเสมอปราศไม่เสมอชื่อเวาาสัมภะสุจีนวัฒน์โซจามความเป็นแห่งของฐานชื่อโซจามุตุโนคาววมาถาวางความเป็นแห่งคนนอนสามทาี่ลงหนหาปัจจัยยนี้รัมณิยาสาวาโวรัมณิยาสางความเป็นแห่นนง อันบุคลเพึ่งยินดีชื่อรามาิยะตามาณุยาตาภาวมานุญยาต า, ว า, า, าความเป็นแห่งความเป็นที่ผู้ใจชื่อมานุยญต า, าคามใจยะตาทิยยะตาทิพมีปัจจัยสองตัวคือ้าทาังใจลงแทนปัจาราตาแปลว่าปาการดังนี้ถ้าปัจจัยลงรักสัพานามอย่างมีเจนา เตนยทาโดยประการในเตนาปาการเโดยปากการนั้สเตนาปการเสัปกการทังทวงทั้งปัจจยลงท่างทิ้งและอีมาสามอย่างนี้เกนาปาการเรนโดยปากการไรอย่างไรอิมีนาปาการเรนอทางโดยปาะการนี้ ตาทิศนอกแบบมีทอบคืออุปวามตาทิศลงยิจิตตาตาปัจจัยแทนวิยาสอย่างนี้ทุกโมวิยาทิตสติสีตุมายิตตาตังวัตถุวตถุใดย่อมปรากฏสุดความเบียบน เชื่อทุมาิสตาตาพระพุทดุความตินิรางิาทิสติติตินิราทิสตาตาวัตถุวัตถุใดย่อมพระพุทธดุลหมอกิณานวัตถุนั้เชื่อตินิราทิสตาตาพระพุดุลหมอนิสิติติปปัจจัยแ่นนิสิติอย่างนี้สุตังนิสิตั ไปแล้วตึงวัตถุอันชั่วชื่อตัวตัวลาเวทังนิสีตัเวทัลังทาสานังศาสานาไปแล้วตึงเวทชื่อเวทลาตัวตัวโนท่านังตัทุลังกรรมกรรมเป็นที่ตั้งเห็นวัตถุอันชั่วชื่อตัทุัลาเวทาสาท่านังเวทัลังทาสานา เป็นที่ทั้งแห่งเวชชื่อเวทัลลาบตสรุปตาทีโอตาตาทีสามูหาตาทิภาวะตาทีเป็นนามนามให้ต้องมีอัญยากโหดเท่านั้นเป็นคุณนามข้าตาทีนามยะยาตาทิเป็นนามยยาสามพวกนิพานแต่โดยวิภันไม่ได้ที่ส่วนใหญ่เป็นนามสามจึงมีองค์ประกอบเพื่อนามสาม คือลิงวาดานวิทัดและราฬ